หมายทรศัพย์ของทางรายการคือ022413315 022413315กำลังรอรับทุกสายเพื่อสอบถามปัญหาธรรมะเข้ามาครับมีสายแรเข้ามาอะไร น, นะครับสวัสดีครับผู้ฟังรายการครับสวัสดีสวัสดีครั บ, รรบรสวัสดีครั บ, รบ อ, อมกกออเด็จการหลวงพ่อธรมเดือนการครับครับผมสอบถามปัญหาธรรมะได้เลยครับผมจะถามว่านายเอพระโมกล า, า, า, า, าพระบอง์งระเทว่าประโมกลา คนัตยาธิปิงนะว่าตีพ่อแม่ตายลงวงว่าตีตายลงวงว่าตีไม่ตายอ่ะครับนี่ไหนไม่ถูกกล้องครับโอครับข้อที่หครับครับข้อที่สองเลยครับข้อที่สองถ้าพิสูจเนี่ยอ่อาน้ําในห้องน้ําแล้วเคื่องทาหมบดแล้วจะติดผิดไหมครับครับผมขอฟังในวิทยุนะครับครับขอบคุณมากครับเรื่องขโมยขนาดครับจะ่คุณใจครับเออขโมกขนาดนะนี่ทิ่จริงก็มีเรื่องอยู่สองเรื่องแต่ว่า โดยโดยหลักจริงๆคือทุกตีแต่ไม่ถึงก็ตายเพราะท่านเองก็ถูกโจรทุกตีแต่ไม่ถึงก็ตาย oh. อ่าเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นการสอดคล้องกันส่วนผู้ที่พูดประตายเนี่ยคงจะสับสนในในเรื่องนะที่จริงเรื่องมันมีอยู่สองเรื่อง oh, อส่วนพระข้าห้องน้ำก็ที่จริงมันก็เมื่อก่อนเดิมจริงๆก็พระอะไก่อนจะมีพระอาบนะ้ำฝนนี่ก็พระที่ยกายอาบน้ำ oh. ก็วินัยเขาอนุญาตไ ว, นะว้นะฮะวินัยก็อนุญาตไว้ในห้องน้ําในในน้ําในห้องน้ําในอที่อบตัวอะไ ร, ะไร ต, ต, ต, ต่างๆก็ก็ได้ครับผมบขอบขคุณท่านเจ้า ก, กุฎจ่ามากครับมีจดหมายจากทางบ้านสอบถามมาครับทุกท่านครับเขีดจดหมายมาที่มหาวิทยาลัยขอถามปัญหาสองข้อถามว่าเนื่องจากว่าตนเองเนะี่ยเป็นคนที่มีทรัพย์สินมากนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่บ้านกว้าง กว้างมากเลยอยากจะสร้างพระประธานองค์ใหญ่ๆเหมือนกับพระสาพระศรีสากยมุนีนะครับอที่พระวิหารมัสุทดทัตไว้เพื่อความสะดวกในการกราบไหว้ถามว่าจะผิดไหมครับที่คนณทครับโอ้ก็ไม่ผิดหรอกก <c oughs> ็คือว่าประดิษฐานไว้ที่เหมาะที่ควรก็แล้วกันที่ไหนก็ได้ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าสร้างพระใหญ่ๆอย่างนั้นก็ เงงเๆนะแ ล, แล้วก็ดีนะฮะที่จริงก็จะสร้างเป็นปาร์คเป็นสวนนะให้คนเข้าไหว้เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรหรอกรไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าพระพระสากยมุนีเนี่รู้สึกจะต้องขออนุญาตนะฮะเป็นของหลวงครับผมขอบคุณครับมีอีกข้อหนึ่งนะครับถามว่าเคยได้ยินครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าถ้าเราไม่สมาทานศีลก่อนทำทานเช่นตอนเช้าใส่บาท ถ้าไม่สมาทานสินก่อนทานที่เรานั้นทำจะส่งผลให้เราไปเป็นสัตว์เดรัจฉ า, านเช่นในเป็นสุนัขเป็น เ, เป็นคนที่มีความสมบูรณ์ในโพกกระซับอย่างนี้จริงหรือไม่ครับคนละเรื่องกันคนละเรื่องครับกนทานละไมากับสีละาไมายมันคนละเรื่องกันครับ แต่หมายความถ้ารักษาได้สองอย่างก็ดีส่วนทานก็ทานไปส่วนศีลก็ศีลไปแต่ว่ามันเป็นปัจจัยเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันบารมีก็คนละบารมีกันนะฮะฐานบารมีศีละบารมีนี้ก็บางคนก็พูดไปอย่างนั้นะพูดเลย <laughs> ก็ขอบคุณมากนะครับแฟนรายการจุณต่อพบนะครับที่ให้กําลังใจรายการมาก็ขอบคุณท่านพลเอกเสรีนะครับที่ได้ทําให้รายการนี้นะครับคมอยู่คู่พระพุทธศาสนาเรื่อยมาต่อมาเรื่อยนะครับก็ขอบคุณคุณประพจน์มากครับทคุณจังครับวันนี้มีแฟนรายการหลายท่านโตมาที่มหาวิทยาลัยนะครับคล้องใจมากเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาเป็นพระพวกเป็นศาสนาประจําชาติในรัฐธรรมนูญครับดูรายการช่องสิบเอ็ดวันนั้นยังติดใจยังคุจานมีประเด็นที่ทําให้ชาวพุทธไดสบายใจไหมครับคือคือมันสับสนในประเด็นนะนะครับผมสับสน ประเด็นคำว่าพระพุทธศาสนาคือสังคมไทยเนี่ยมีคนส่วนใหญ่ไปคิดว่าพระสงฆ์คือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาคือพระสงฆ์ครับวันประเด็นคือนั้นเราพูดแล้วก็ไปไปอยู่ที่พระสงฆ์ครับผมแต่จริงไม่ใช่พระสงฆ์เป็นเก้าอี้หนึ่งขาในเก้าอี้สขาเท่านั้นเองอพระสงฆ์คือศาสนาบุคคลเช่นเดียวกับอุบาสกุบาชิกาเช่นเดียวกับแม่ชีครับเช่นเดียวกับภิกษุณีเนี่ย ที่เราต้องการเนี่ยคือให้าศาสนธรรมมีบทบาทในวิถีชีวิตในวิถีครอบครัวในวิถีสังคมในวิถีของชาติเพื่อสร้างคนดีมีศีลธรรมเราเรียกร้องจรยิยธรรมเรียกร้องคุณธรรมเรียกร้องธรรมรรรร ม, มาปิบาลเรียกร้องธรรมรัฐแล้วคุณจะเอามาจากไหนล่ะไม่ใช่าศาสนธรรมอะ่ะครับเพรา ะ, ะาศาสนามันต้องจัดวางไว้ในที่เหมาะสมครั บ, รบมันเหมือนกับอาจารย์ลองนดูพระพุทธ ร, รูปในพิพิธภัณฑ์่มีคนเคยไหว้ พระพุทธรูปจะ่เขาไม่ไหวเราอยู่ในพิพิธภัณฑ์ใพระพุทธ ร, รูปต้องอยู่ในโบสถ์ในศาลาการบริเรียนในสถานที่ที่เหมาะสมคนจึงไหวตอนฐานภาพของสถานภาพของพระพุทธศาสนาก็ต้องอยู่ในที่คารสักการะของคนทั้งหลาย เพื่อให้มีพลังในการกระตุ้นสํานึกว่าถ้าตัวเองมีศีลธรรมแล้วจะเป็นคนมีสถานะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีศาสนาอยู่ในหัวใจแล้วก็ไม่ได้กีดกันศาสนาไหนเมื่อศาสนาพุทธได้เป็นศาสนาประจาําชาติศาสนาธรรมในศาสนาอื่นก็ขับเคลื่อนไปด้วยกา ร, รต่างคนต่างไป ร, รับผิดชอบในสาสนิจของตัวเองครับแล้วก็ช่วยกันสร้างคนดีไ ม, ไม่ได้กีดกันใครแต่ก็ช่วยกันทํางานเพื่อแผ่นดิน ครับแต่ว่าเนื่องจากบ้านเมืองเนี่ยเราทอดทิ้งศาสนาธรรมครับมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองอเมื่อก่อนศาสนาธรรมมันอยู่ในวิถีสังคมครับอาจารย์นึกถึงโครงในร้านนรินไหมบังอรบายเบิกพลาฝึกฟื้นใจเมืองอบุญเพลงพระหากสารศาสตร์รุ่งเรืองแหบังอบายคือปิดประตูนรกครับแล้วกเ็เปิดประตูสวรครค์ด้วยการฝึกจิตใจของพลเมืองออื เราต้องการในศิลธรรมกลับมาเป็นวิถีสังคมมันไม่ใช่เอาพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นคนกรจ่อยร้อยนิดเดียวสามแสนห้าหมื่นองนั้นนั่นเองครับพระเขาไม่เคยคิดถึงเรื่องพระสงฆ์นะฮะครับจะคิดถึงเรื่องาศาสนธรรมเแล้วแต่แน่นอนและพอาศาสนธรรมมีบทบาทพระสงฆ์ก็ต้องมีหน้าที่กับเคลื่อนอยู่ส่วนหนึ่งเช่นเดียวกับอาจารย์เช่นเดียวคนทั้งหลายนั่นแหละ แต่ว่าพระสงฆ์ก็ทําหน้าที่ของตัวเองสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นการศึกษาโดยการปฏิบัติโดยการเผยแผ่โดยการดูแลรักษาพระศาสนาโดยเฉพาะยิ่งคือศาสนาธรรมความถูกต้องของศาสนาธรรมแต่<อ>ที่เราพูดเป็นพระสงฆ์พระสงฆ์เสร็จแล้วอย่างเมตตาัณโธก็ไปดาา่าคณะสงฆ์ไอ้นั่นมันเป็นคนละเรื่องกันสมณศักดินั้นเป็นราชศักการะที่ประมาทกษัตริย์ถวายแก่พระสงฆ์โดยกํากับมาด้วยภารกิจครับ พระราชคณะพระครูทั้งหลายเนี่ยมันจะมีคําสั่งมาคำํำราษนามาขอพระคุณโปรดรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอติกรอ น, นเรครอห์ไปวิสูตสามเณรในพระอารามโดยควรเดครับมันสนับสนุนกิจกรรมของคณะสงฆ์ไอสตังที่เขาให้นะเราก็ให้บูชามันไม่ใช่งเงินเดือนหรอกเม็กี่บาทหรอก ครับเนี่ยครัแฟนรายการหลายท่านเป็นห่วงมากครับดูรายการแล้วก็ไม่สบายใจวันนั้นฝากผมมาถามเจ้คุณอาจารย์ในประเด็นนี้เลยครับผมก็อยากให้คุณอาจารย์ตอบให้ชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นยังไงก็วันนี้ชัดเจนแล้วนะครับแฟนรายการหลายๆท่านที่โทรเข้ามาในวันนี้นะครับขอสายที่สองครับที่โทรเข้ามาครับสวัสดีครับแฟนรายการครับฝากนักการประคุณท่านอาจารย์นะฮะแล้วอาจารย์ที่กดรบเลยครับ คือผมมีดูทีวีขนาดนี้นะครับครับผมตดจีนพอดีนะฮะครับมทุกช่องผมเห็นสีแดงขึ้นเลยครับเพิ่งมาจากปีใหม่เนี่ยก็เป็นคริสต์มาสสมหัวกคริสต์มาสกับเต็มที่เลยครับฮะทีนิ้กระทรวงวัฒนธรรมก็บอกว่าเขาจะให้ผ้าไหมไทยเนี่ย ช่วยให้ท่านที่อ่านข่าวทั้งหลายเนี่ยช่วยครูนาใส่้าไมไทยได้มย่านี้สาบันธรรมไทยครับทีนี้ก็เกิดผมมีพักพวกอผมมาอีกก็เป็นอิสลามก็าบอนหน้ากเขาฮารอนี่สวมหวกอิสลามหน่อยได้ไหมหรือว่าพวกซิกนี่นะผมแบบซิกได้ไหมแต่งแบบซิกจะไม้เผารัดตัวอย่างเยอะแยะเพื่อให้มันสั่คมมาเท่าเทียมกันนะครับครับี่ประการที่หนึ่งนะฮะประการที่สเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าศาสนาประจำชาติถ้าใครไม่โหวตหรือโหวตี่จะบาดไหมครับเอ็นว่าเราโหวตว่าถ้าคุณ คุณไม่ไม่เอาศาสนาพุทธประจําชาติเนี่ยทํำมาลัทธิมาลูนิสต้องตกไปครับผมจะโหวตละแอต้าบอว่าเขาบอกว่าเขาไม่ใส่เนี่ยผมไม่โหวตผมไม่เอาผมบาปหรือผมได้บุญอะไรโอเคโอเคครับได้ครับแล้วฟังพี่นนะครับประเด็นแรกคือมันเป็นประเด็นชั่วคราวใช่ไหมฮะมันเป็นการแต่งก็ดีทําไปเถอะจิสารก็แต่งไปคลิปก็แต่งไปยิงก็แต่งไปเป็นการรําลึกถึงบรรพบุรุษ มันมันสํานึกกตัญญูนะฮะไม่ได้แปลกใจหรอกที่ที่อะไรศาสาประจำชาติศาสนาประจำชาติรัฐประหารเกิดไปเกิประเด็นนี้ไว้ครับก็ก็เรามีสิทธิ์อย่างหนึ่งมีสะมีสิทธิ์อย่างหนึ่งครับแต่ว่าเราก็พยายามขอร้องพยายามพูดเตี้ยมาก็ดีใจนะฮะว่าพอหนังสือออกวันแรกเนี่ย อ๋อสอสอก็มารับไปเองสอนชก็มารับไปเองเจ้าหน้าที่เขาก็มารับไปเองวันนั้นเน่ยเข้าที่รัฐสภานี่ประมาณห้าร้อยเล่มอวันเดียวครับแล้วเขามารับไปเองเราไม่ได้เอาไปแจกครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับแล้วก็คุยกับสอสอบางท่านเนี่ยท่านบอกว่าที่คุยกันเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องนําศาสนามาวางไว้ในจุดที่เหมาะสมครับ เทียงคู่กับสถาบันชาติศาสนาพระหมายกษัตริย์ครับอย่างที่บอกว่าเราต้องการขับเคลื่อนศาสนธรรมแล้วเราพูดอยู่เนี่ยราชการผู้หลักผู้ใหญ่คนคนใหญ่คนคนโตพูดคุณธรรมสิทธรรมคุณธรรมจริยธรรมธรรมะพิบาลธรรมารัฐอะไรเหรอคืออะไรเหรอครับมันต้องมีหลักมาจากศาสนาครับผู้เหล่านี้คุณพูดเองไม่ขลังหรอกครับอาจจะอรรมายกตัวอย่างให้ฟังว่าตอนสองร้อยปีกรุงรัตนโกสินทร์ ในหลวงมีพระบรมราชวัลศีประการสำนักวัฒทธรรมแห่งชาติสวชมีค่านิยมพื้นฐานห้าประการอยากทราบว่าเวลานี้แม้แต่เจ้าหน้าที่จ้าหน้า ง, งานสวชอเองรมได้ไหมว่าค่านิยมพื้นฐานห้าประการคืออะไรเพราะว่าเอกชนเป็นคนออกมันไม่มีความข ล, งลังเราเชื่อเถอะ เรื่องคําสอนนั้นต้องคนที่เป็นปูชนีบุคคลพูดเท่านั้นเองจึงจะมีผลสํำฤทธิ์ในการนําไปสู่ภาคการประพฤติปฏิบัติครับผมมันก็สรุปบุคคลระดับศาสดาครับในศาสนาต่างๆนั่นแหละครับแล้วเราก็เอาคําสอนของท่านนั่นแหละมาขับเคลื่อนครับเราเป็นเด็กรับใช้เราเราเป็นคิดเป็นเจ้าของเจ้าของวาตกรรมอย่างนั้นไม่ได้เราเราไม่มีบารมีหรอกครับผมยังไครับขอบคุณเจ้ากระใจครับสายที่สามครับสวัสดีครับ ก็จะจะจะถามปัญหาหลวงพ่อหน่อยครับครับผมครับหลวงพ่อว่ามีพระอยู่สามแสนห้าหลวงพ่อวันน้อยไอประชาชนของไทยเรานี่มีหกประมาณหกสิบสองล้านหลวงพ่อว่าจะมีพระตั้แค่ไหนถึงถึงจะคู่ควรกับประชาชนของประเทศไทยเราเนี่ยครับครับผมครับขอฟังฟังทางวิยุนะครับครับผมขอบคุณมากครับครับ มันเป็นเป็นเรื่องเป็นประเพณีโยมเรื่องเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องศาสนาน ะ, ะครับคือว่าไทยลาวเขมรเนี่ยบวชตามประเพณีเป็นค่านิยมแต่ว่าพม่ากําลังการเนี่ยเขาบวชตามแบบดั้งเดิมคือคนบวชแล้วไม่ศึกสัดส่วนมันมันไม่จําเป็นหรอกครับคือคือจริงๆในสัดส่วนสัดส่วนของเราเวนเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยเป็นพระกําลังศึกษาอยู่หกสิบห้าปอร์ซ็นต เป็นท่าผู้เท่าอยู่สิบห้าเปอร์เซ็นตครับพระที่ทํางานได้ในประมาณยี่สเปอร์เซ็นต์คือประมาณเราหกหมื่นอะไรนี่แต่แเนี้ยห <6, 000. S 1> กหมื่นกว่ากว่าหน่อยท่านานครับเพราะฉะนั้นเราเร า, เราไม่จําเป็นต้องมีสัดส่วนแล้วก็คิดว่าเราอย่าลืมนะฮะว่าตั้งแต่ประชากรสิบแปดล้านเนี่ยพระก็สามแสนห้าตอนนี้ประชากรหกิสามล้านพระก็สามแสนห้าพระไม่มีทางเพิ่มแต่เราเพิ่มคุณภาพของพระครับแล้วก็นำธรรมะเข้าสู่วิถีสังคม โดยระบบการจัดการศึกษาเนี่ยว่าการศึกษาทุกลําดับชั้นต้องมีการศึกษาเรื่องศาสนาแล้วก็วัดผลกันด้วยความเปลี่ยนแปลงทั้งความรู้กับความประพฤติเอาอย่างเดียวไม่ได้<ช>ครับวามสามารถความรู้ความประพฤติแล้วก็วิัยทัศเขาคุคยบ้ากันนะครับสีเรื่องนะครับขอบคุณที่กดแจ้งขับสายต่อไปครับสายที่สี่ครับสวัสดีครับเพืนกันครับสวัสดีครับนรมากการตุภูตเจ้าครับฮัลเจสอบถามได้เลยครับ อ่าขอต่าวประดานสองข้อเลยครับครับผมความทางโทรศัพท์นะครับเาจ็สงขาใช่ไหมครับครับครับผมครับผมขอทีขหนึ่งคนที่ศีลไม่บริสุทหรือว่าไม่ได้สมาทานศีลสามารถจะฝึกสมาธิได้เไหมครับอ๋อครับครับขอขอขอทีละข้อเลยนะครับที่คุณยัจะตอบให้เลยนะครับก็ครับคือคือศีลนี่เราอธิษฐานเราได้คุณอธิษฐานก่อนนั้นแหละก่อนจะนั่งสมาธิอธิษฐานก็เพราะตอนคุณนั่งัาคุณก็มีศีลอยู่แล้วอ่ะ คุณก็ไม่ได้ค่าสัตว์ไม่รักษรัพย์ไม่คดีผิดในการไม่พูดเท็จไม่พูดคําหยาบอะไรเลยครับนะจริงๆมันมันก็มีลักษณะอย่างนั้นรูปแบบในการสมาทานเป็นเรื่องที่เกิดทีหลังสมัยพุทธเจ้ามันมีการสมาทานหรอกครับเจ้าพระยคุณจ่าบอกกันรูปแบบการสมาทานเกิดทีหลังนะครับก็ตอนที่นั่งก็คือสมาทานอยู่แล้วนะครับผมอครับก็ไม่ต้องแบบว่าที่ไม่ไม่ไม่ปบุญก็ไม่ไปเลยครับไในท่ามันก็เป็นศีลอยู่แล้วเป็นศีลอยู่แล้วครับอธิษฐานเอาขนาดนั้นแหละครับ อธิฐานสํารวมระวังอรอย่างเะครับคุณขอครับครอบดึตะพุ่งตะลาเคยเคยแค่บิดามารดาติดชีวิตหรืเปล่าครับไม่ครับผมไม่ติดีนิตครับคือบาดเจ็บทุกตีพอพ่อแม่แสดงความเป็นห่วงท่านก็หยุดแล้วก็นำไปเลี้ยงดูตลอดชีวิตนะนะบาดบาดเจ็บือดชีวิตครับม่ครับบาดเจ็บเฉยๆบาดเจ็บเฉยๆครับไม่ไม่ได้ติชีวิตยสิ เสีชีวิตไม่ได้เราอยู่เป็นนันตระยกรรมมันไม่มีทางบรรลุภคพลนะถ้สชีวิตเป็นอนันตระยกรรมครับผมให <c oughs> ม่ๆครับผมปรชาติไกลมากฮะก่อนอ๋อจะไม่ได้อันตรายมากขาดไกลมาก <c oughs> ชาติชาติไกลมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าชาติต้นอะไรพวกนี้นะครับผม สวัครับครับผมสวัสดีครับครับขอบคุณมากเลยนะครับครับโอ้โหครับตั้งใจโทรมากเลนะครับจากจังหวัดสงขลานั่นแหละครับครับ022413315นะครับแฟนรายการหลายๆท่านนะครับจากกรุงเทพมหานครจากเวียเคียงโทรมาได้เลยนะครับแฟนรายการจากสงขลาที่พยายามโทรมามากแล้วโทรมาได้เลยนะครับสายต่อไปเลยครับสายที่ห้าครับสวัสดีครับแฟนรายการครับฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากจะกราบเรียนถามหลวงข้อหน่อยค่ะว่า เออพระเนี่ยเวลานั่งรถเม์เนี่ยมีสิดเออเอาโทรศัพทนะ์น่ะขึ้นมานั่งพูดนั่งคุยเนี่ยมันผิดหรือเปล่าคะเพราะข้อที่สองนะคะครับผมคือแต่เราอยู่ในวัดเนี่ยคะ่ะคเนี่ยพระเนี่ยปแบบลินแต่ปลิ้นมวยะคะ่ะได้ยินเสียงคลาสเสียเนี่ยไม่ทราบว่าผิดหรือเปล่าคะครับ ขอพระคุณค่ะขอฟังทางวิทยุนะคะคงจะเป็นส่วนน้อยนะครับคือมันมันก็อาจจะมีบ้างนะฮะแต่ว่าเอจริงๆแล้วมันไม่อยู่ที่ผิดหรือถูกมันอยู่ที่ควรหรือไม่ควรครับนะเราตรงนั้นเรียกว่ากาละมันไม่ควรเทสะมันไม่ควรแต่การโทรศัพท์มันไม่ผิดอะไรหรอกครับทีนี้การการการเล่นมวยนี่มันคงจะดูข่าวเฉยๆนะะคงจะดูเฉยๆไม่น่าจะเล่นหรอกถ้าเล่นไม่ได้นะฮะโยนถ้าเล่นไม่ได้หรอกครับ ก็เล่นก็ต้องอบัตเป็นการพ น, นันครับผมฟอนแ ต, แต่ว่าถา้ถามีมันก็ส่วนน้อยนะฮะส่วนน้อยก็คือ ม, มันกิจกรรมกิจกรรมต่างๆทางสื่อเดี๋ยวบางทีก็ เ, เปิดไปเจอข้าวครับอันนี้คนก็ชอบก็อาจจะดูแล้วก็ดูในฐานะทีเ่เป็นเป็นเป็นกีฬาย่างหนึงน่งเนี่ย ก็อย่างที่เจ้าคุอาจารย์พูดนะครับว่าเดี๋ยวนี้พระนักศึกษานี่เยอะมากนะครับประมาณหกสิบปอร์เซ็นนะครับและการโทรศัพท์ติดต่อหรือการที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆองจะเยอะขึ้นครับครับผมก็สายต่อไปนะครับสายที่หกมารออยู่ครับสวัสดีครับสวัสดครับครับผมสอบถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับข้อคือในในในบทสวดภาวุงนะครับครับผมบทสวดภาหุงไหวครับคือบทที่หนึ่ง มือโบสถ์แรกครับโบสท้าวอมบทที่หนึ่งแล้วก็บทที่สองเนี่ยผมไม่ทราบว่าที่มาเป็นยังไงโบสที่สามผมพอรู้ว่ามาจากการปล่อยช้างมาลายกลิงไงครับทราบผมภาพประวัติของโบสที่หนึ่งแล้วก็บทที่สองแล้วก็บทที่ที่แปดนะครับครับผมกลับรับฟังทางมือยืนนะครับครับขอบคุณครับ บทที่หนึ่งนี่ตอนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ภายใต้ต้นโพก่อนการ ส, สัตรู้นะฮะแล้วก็พญามารมาไปจนพระเจ้าก็สรงชนะพญามารบทที่สองนั้นเสด็จไปทรมานอารากยักษถึงที่อยู่แล้วก็อารากยักก็อารวาดเออเะโวยวายอะไรต่างมากมายแล้วพระเจ้าก็ส่งการาบไปได้ด้วยขันติอ่ข้อที่แปดก็เป็นการเสด็จไปทรมานประกาพรหมซึ่งแกมีความเห็นว่าสังขารทั้งหลายนั้นเที่ยงแท้ แล้วเข้าใจว่าความเป็นพรหมนั้นเที่ยงแท้พระพุทธเจ้าก็ไปสอนให้ทราบว่าไม่เที่ยงหรอกเพราะว่าท่านเองเมื่อก่อนก็<ร>ก็เป็นคนไม่จะเป็นพรหมแล้วก็ต่อไปท่านก็ท้งแต่งก็ต้องตายต้องจุติเป็นธรรมดาครับก็ ค อ, อยเงินเท่าแล้วใช่ไหมครับใช่ ค, ครับท่านผใหญ่ครับแล้วเดี๋ยวนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหรือว่าหลายๆคนสวดบทภาหุงมหาการเยอะๆนี่อย่างนี้จะมีพลานุภาพอย่างไรบ้างครับจากคนรักที่สวดคือคือมันเป็นพุทธชัยมงคลพุทธชัยมงคล <นะ S 1> เป็นพุทธชัยมงคลที่เราจะต้องประกอบในพิธีกรรมที่เกี่ยวมงคลทั้งหลายนะฮะเพราะฉะนั้นบทภาหุงที่จริงมันมาจากพระสูตรทั้งนั้นนหะ เพียงแต่ว่าพระโบราณอาจารย์ท่านมาสรุปเป็นฉันทลักกระาบาลสามสี่บรรทัดครับขอ้ข อ, ขอหนึ่งเนี่ยฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมาจากพระสูต ร, รอย่างอย่างข้อที่สองมาจากอาลาวาสูตรข้อที่แปดมาจากพภักดสูตรแต่ขอ้อข้อที่หนึ่งเนี่ยมาจาก อ, อตอนจดสรุครับก็พระสมโพธิญาณก็เรียกว่า อภูติมุนทนอยู่อยู่ที่โูติมุนทนขอบคุณทุกท่านคับสายที่เจ็ดครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสายที่ถามไปว่าปราชญ์ชนเมื่อตะกี้นะครับผมแต่ที่ถามหลวงพ่อมันไม่ได้หมายถึงว่าว่าเจ้าพระันนั้นมาเป็นตัดตัวอย่างนั้นนะครับผมหมายถึงว่าหกสิบสามล้านเนี่ยถ้าวันมีพระที่เผยแพร่ศาสนาออืสักเท่าไหร่ถึงจะ ถ sauna, ana, ana, ana, ana normal, right? ึงจะน่าน่าน่าจะพอเพียงใช่ไหมครับนน่าจะพอเพียงนะคะครับผมครับผมแล้วฟ้าจำยุ้ยนะครับครับครับขอบพระคุณครับไม่พอคือคือลักษณะการเผยแพร่ยนต์ที่จริงเวลานี้มันข um> ้าสื่อใหญ่ไปแล้วนะฮะข้าสื่อโทรทัศน์วิทยุอินเทอร์เน็ตไปแล้วครับนะเราเห็นว่าฟ้าองค์เดียวก็เผยแพร่ได้คนเป็นล้านล้านแล้วไปแผ่แพร่รวดเดียวก็ร้อยเจ็ดที่กว่าประเทศแล้วครับ มันมันไม่ใช่ยุคสมัยที่เราจะมาเดินเทศมันมันเลยยุคไปแล้วครับถึงถึงพระจะมีมากแปลว่ามันเรื่องชาวบ้านก็ต้องแสดงความต้องการเองจรงแต่นิมนต์ผลโครงสร้างของสังคมมันเปลี่ยนไม่จําเป็นจะต้องใช้พระมากหรอกครับเพราะว่าเราใช้สื่อใหญ่ครับเพียงแต่ว่าพระเราจะมีต้องมีความสามารถเป็นพิเศษซึ่งในโอกาสต่อไปเนี่ยอาจจะเก่งทางด้านภาษาจะเก่งทางอะไรต่อะไรต่างๆนี่ก็หลายๆเรื่องครับ แต่ว่าจริงๆจํานวนไม่จําเป็นต้องมากนะฮะครับผมครับขอคุณเชิญเข้าใจครับสายที่แปดครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอถามคำถานะฮะเชิญเลยครับออ่าเมื่อไม่นานมาไี้เองนะครับรั่งรถเมลสายบางใหญ่ไปไปเป็นเก้านะฮะแล้วแล้วด้านหลังนะครับแล้วก็มีพระท่านนั่งอยู่ด้วยครับผมถามท่านว่าท่านท่านจะไปไหนทั้งหมดท่านจะไปเรียนหนังสือครับนี้ผมผมก็ก็ดึงเงินมาถวายท่านร้อยบาทครับท่านบอกว่าท่านท่านจะไม่รับนะฮะครับ ท่านก็สงสัยว่าผมให้เพราะอะไรผมบอกผมไม่ได้ทําบุญอะไรเลยไม่ค่อยได้เข้าวัดเลยครับผมก็ให้ท่านผมก็ก็พูดอย่างง่ายภาษาชาวบ้านว่ายังจะให้่ายๆนะถวายถวายนะถักถวายให้นะแล้วก็ก็ท่านก็รับแต่ผมอยากจะกราบเรียนถามท่านเจ้าขุณว่าผมได้บุญไหมครับทําะไรครัครับผมละไปมีนะครับเออคือจริงโยไม่ควรถวายอย่างนั้นเนี่ยนะไม่ควรถวายอย่างนั้นเพราะว่าพระไปรับด้วยมือตัวเองเนี่ยทําให้ท่านตองอับสัย แตส่วนโยมได้บุญก็ได้ไปแหละแต่ว่าจริงๆแล้วทำให้พระต้องอับอายคือถ้าถาวายมันต้องมอบให้เด็ก <c oughs> เขาเรียกวัยยาวยากรือช่วยรักษาช่วยพระรักษาวินัยด้วยก็พระคงจะเกรงใจนะฮะ <c oughs> แต่โยมพยาญาจะพูดอ้างเหตุผลว่าไม่ได้มีโอกาสทำบุญอะไรท่านก็คงเกรงใจใแล้วก็รับไปแต่บางองค์ท่านก็อาจจะรับเป็นปกติของท่าน สรุปว่ามันเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ถ้าถูกต้องแล้วเนี่ยเราอย่าใช้เงินสดสดถวายครับผมแล้วถ้าถ้าเจาถวายอย่างนั้นก็บอกให้ท่านทราบแล้วก็มอบให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์ครับเอาค่ะขอบคุณทุกท่านับสายที่เก้าครับผมสวัสดีครับครับพ่ก็สายที่ถามประชาชนตะกี้เนี่ยนะครับครับผมว่าไงครับที่หลวงพ่อว่ามันไม่ต้องใช้ผ้ามากมันก็จะใช้พระทางอินเทอร์เน็ตก็ดีทางครับ ทางวิทยุทางทอทัศก็ดียอใช้สื่อช่วยครับแต่ผมเห็นพทรเจ็ดวันโทรทัศี่จะมีเฉพาะวันพ้ะเท่านั้นนะครับอ mm hmm. ื่ทื่ทื่ที่ธรรมเทศทางทางโททัศ น, น์ะครับอยากให้มีเยอะๆใช่ไหมครับผมผมผมอยากจะว่าสักขนาดไหนถึง แต่พระัะเท่าไหร่ถึงจะพอนะครับครับครับครับขอบคุณมากนะครับคราบครับขอบแหมเป็นหัประเด็นนี้จังเลยคือเราคือเราไปคิดเองไม่ได้เราโยมคือคืออย่าลืมว่าพระจะเทศได้ก็ต่อเมื่ยมนิมนต์ครับถ้าโยมไม่นิมนต์พระก็ไม่มีโอกาสเทศครับแต่ว่าทีนี้ทางรายการวิทยุนี่เราจะเห็นว่าพระก็ไปชาบสถานีวิทยุเพื่อออกอากาศ ทางโทรทัศน์เนี่ยมันสู้กําลังเงินเขาไม่ไหวคาีแมันมันก็ออกไม่ได้แต่ว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยถ้าพระพุทธศาสนาได้เป็นศาสนาประจาชาติมันก็ถึงจุดหนึ่งเมื่อก้าไปโทรทัศน์ช่องศาสนาใช่ครับที่กรรมวารศาสนาทั้งหลายก็มาทํากิจกรรมด้วยกันครับแล้วก็ทําให้ชาวไทยเราเนี่ยเรียนรู้เรื่องศาสนาต่างๆด้วยในตัวครับคือคือคือเราจะเห็นว่ามันมันมันเป็นเป็นสิทธิอันชอบธรรมของ ประชากรส่วนใหญ่เพราะระบบ ก, การปกรครองประชาธิปไตยนั้นก็คือระบบ ก, การปกรครองที่ถือเสียงตั้งมากเป็นประมาณครับทีนี้ประชากร94เอร์เซ็น 94.57 เปอร์เซ็นของจำนวนประชากรเนี่ยควรจะมีโอกาสครับแต่ว่าไม่ได้หมายความกิจการศาสนาอะไรครับแต่เราก็ร่วมกิจกรรมการองมีสาสนาสัมพันธ์เนี่ยนะครับ ที่อย่าไปห่วงเรื่องเรื่องเรื่องจะขัดแย้งไงคือถ้าคนมีธรรมะมีศาสนาอยู่ในหัวใจจริงเนี่ยเ้ามุตงที่ตการที่ศาสนาได้รับการยกย่องขึ้นมาไว้เนี่ยมันไม่ละเขียนก็เขียนศาสนาอื่นไว้ด้วยนั่นแหละแต่ว่าไปศาสนาประจำชาติทุกศาสนาก็เป็นไปไม่ได้ครับอบคุณทีรับกรับสารี่สิบเอ็ดครับสวัสดีครับไปรายการครับครับผมครับผมสอบถามได้เลยครับครับผมครับผม เออออกออกออกรยการยังครับครับออกแล้วครับจะสอบถามได้เลยครับครับผมเออคือคืออย่างนี้ครับผมเพราะเออเดี๋ยวคุณได้ขอบคุณครับเอานะขนาดนี้นะครับเออทั้งสตาร์โร่ก็ดีเออสภาล่างก็ดีเออกรธิการนะครับยังยังไม่ตกผลึกแต่ว่าขนาดเนี้ยประชาชนเอ่อของของชาวพุทธส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเนี่ยตกผลึกส่วนใหญ่แล้วว่าควรเอ่อจะ บรรจุทำมาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจชาติเนี่ยครับอตอนนี้เสียงส่วนใหญ่ซึ่งผมเองทอ ง, งานอยู่ในชุมชนเนี่ยนะครับครับ ก็ไปทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเพราะรวมทั้งภาคใต้บางส่วนเนี้ยเสียงส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าคือตกผึกแล้วว่าควรจะบรรจุคำว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติตวงไปในรัฐธรรมนูญฉบับยาใจต่อไปครับครับในมาตรการก็เป็นแคนรับบรปรุกขอบุตรนาเราก็กำลังรณรงค์กันอยู่ทุกวิถีทางไงนะก็ต้องพยายามเอาให้ได้เราะว่า ถ้าไม่เปิดโอกาสให้เปิดพื้นที่ให้ศาสนามันจะเราขับเคลื่อนศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมอะไ ร, ต, ะไรต่างๆไม่ได้หมดเลยเพระโยชถูกปิดกัน้นคือคือคื อ, ค อ, ค อ, คอมันมันจะถ้าถ้าถ้าเรามีโทรทัศน์ทางช่องศาสนาเนี่ยประชาชนก็มีทางเลือกออคุณจะดูโทรทัศน์ช่องไหนช่องช่องศาสนาก็มีกิจกรรมทางศาสนา แล้วก็เฉลี่ยเวลาไปตามจำนวนของศาสนิกในศาสนาเทศกาลพิเศษเดือนรอมฎอนอิสลามก็ต้องการเวลามากก็เอาไปก็ว่าเป็นคร่าวๆกันไปเนี้ยทํานผ่กนก็ที่จริง ม, ม, มันไม่ใช่แปลกอะไรหรอกอ ก, ารการที่ชาวพุทธเราตกผ ล, ลึกก็เป็นเรื่องกับขออนุโมทนาขอให้จริงสักทีเถอะเพราะว่าคือ บางทีมันพูดกันกันธรรมดาไม่ค่อยจะรู้เรื่อง <c oughs> นะเลยต้องใช้พลังมวลชนกันอย่างเงี้ย <c oughs> จริงจริงมาว่าถ้าเราสื่อสารกันให้เข้าใจมันไม่จําเป็นจะต้องใช้พลังกันอย่างนี้ครับ <c oughs> เพราะว่ามันก็สูญเสียเวลาไปเยอะ <c oughs> แล้วก็ทําให้รู้สึกบาดหมาง <c oughs> นะคือคือคือพอคนมากๆเข้ามาเนี่ยยังไงมันมันก็คุมยากแล้ว <c oughs> ถ้าสมมุติเราประชุมมันมีการประชุมท้อนสนามหลวงมีการอภิปรายเนี่ยคือถ้าเขาแน่ใจว่าไม่รับรองให้ผู้ศาสนาผู้ศาสนาประจำชาติจะรุนแรงครับซึ่งเราไม่ต้องการอย่างนั้นเนี่ยครับเพราะบ้านเมืองมันช้ําเยอะแล้วครับอยามีช้ำต่อเลยนะครับขอคุณเจ้าคใจทักษาที่สิบสองครับสวัสดีครับพนักงานครับครับก็วรถามเจ้าคุณหลวงพ่อนะครับว่าว่าเวลาเราใส่บาตรเนี่ย อ่อพระท่านไม่ได้ให้พรเราเวลาเราใส่บาตรเสร็จเนี่ยเราถามท่านว่าใส่บาตรแล้วทําไมท่านไม่ให้พรท่านบอกว่าพระที่ใส่บาตรแล้วถ้าไม่ให้พอรองค์ไหนทีใท่ให้พรผิด อ, อ, อืจับครับแล้วก็อีกข้อ น, นั้ น, นะครับผมเวลาเราถวายธนทานแล้วเนี่ยเราก็เขียนชื่อพระพุทธองร์ลาภแลเนี่ยใส่ซองใส่ตะไคร่เนี่วางไว้บนถังธทานท่านกระดูโดดเลยว่าเราเร า, เราทําผิดครับผม แล้วก็เลยไม่รู้ว่าไหนถูกและไหนผิดท่านคงไม่ดูท่านคงจะบอกให้ชี้ประเด็นให้ถูกต้องให้ลแล้วฟังทางพิจิตรนะครับครับพระคุณมากครับเอที่จริงตั้งสองเรื่องพระถูกตรงนั้นนะนะ ถ, ถูกตามพระธรรมวินัยคือว่าการที่โยมตักบาตรเนี่ยพระไปให้พรไม่ได้มันต้องอบาบัตครับแต่เราก็พระ ก, ก็อธิษฐานใจอธิษฐานใจเอาแล้วก็ไปถึงบัดท่านก็กรวดน้ําท่านระก็อุทิศกุศลให้ครับ ทีนี้ในการถวายสังกทานเะนี่ยถ้าเราเอาชื่ออะไรไปใส่แล้วสตางไปประเคนด้วยเนี่ยมันไม่ได้คือสตางต้องแยกออกต่างหากครับ oh. แล้วสังกทานเนี่ยก็ต้องถวายภาคเช้านะฮะไม่ใช่ถวายภาคบ่าย oh. แล้วภาคบ่ายพระไปไปรับประเคนข้าวของนั้นเขาเรียกเป็นสันนิธิคือฉันไม่ได้ oh, นะครับครับถ้าถ้าถวายของอุปโภคเนี่ยฟังได้นะฮะแต่ถ้าเป็นของฉันและฉันไม่ได้ เจวินัยก็ห้ามฮะครับวันที่ที่ที่พระพูดเนี่ยเป็นเป็นวินัยทั้งหมดเลยคแล้วเขาก็ถูกต้องด้วยคขอบคุณยุติธรรมครับสายที่สิบสามครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับคุณเลิศสวัสดีครับคมเคารพและก็การพัฒนาการท่านพระคุณอาจารย์นะครับครับผมผมก็มีความ คิดเห็นตามที่พระคุณพระคุณเจ้าพระอาจารย์นะครับบอกว่าหลักของประชาธิปไตยนี่ก็ต้องใช้ความเห็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ <c oughs> ก็ถูกต้องแล้วคราวนี้ก็เราแพ้โบดเขาโบทนี่ก็เป็นตัวตัวแทนของเรานันแหละครับ <c oughs> <c oughs> แต่ไม่ทำตามความประสงค์ตัวการคือประชาชนตั้งหลายหลายหลายล้านครับ <c oughs> <า>ที่เรื่องมันเป็นอย่างนี้เพราะนะเพราะผมก็ อ, ก อ, อยากจะสย้าจบุญอาจารย์พระคุณเจ้าบรรยายสั่งสอนพวกตัวตัวตัวแทนที่ไม่ตามตัวการหน่อยนะครับ <c oughs> ตามมัตร ก, การ ขอพระทาต่อคุณอาจารย์นะครับครับขอบคุณคุณเล่นมากครับสวัสดีครับคุณเล็กครับขอบคุอาจารย์นะครับครับผมสวัสดีครับคุณเล็กครับเราเราไปพูดอะไรเขาไม่ได้หรอกปะเทศก็ก็ต้องตรงตอนนี้บนประเทศหรือจะประชุมมาพิปรายแสดงความเห็นเนี่ยก็กำลังเชิญไปแต่เราก็เชี้แจงทางสื่อต่างๆตอนนี้ก็หนังสือพระพุทธศาสนากับรัฐบาลก็เผยแพร่ออกไปแล้วก็ลังจะส่งออกต่างจังหวัดนะครับ ขอบคุณเจ้าใจครับไงก็แฟนรายการหลายๆท่านนะครับจดหมายมาที่มหาวิทยาลัยศิีประทุมนะครับแล้วก็โทรศัพท์มาอยากได้หนังสือพระพุทธศาสนากับพระธรรมานุนครับเราก็จะส่งไปให้นะครับตอนนี้ส่งไปให้เกือบสองร้อยเล่มเลยนะครับสาหรับรายการที่ต้องการหนังสือก็เผยแพร่บอกต่อกันนะครับว่าขณะนี้รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศิีประทุมก็ได้แจกหนังสือเป็นธรรมบันดาการนะครับเสียจดหมายมาที่มหาวิทยาลัยศรีประทุมหกสเอ็ประหลนโยธินจตุจักรกรุงเทพหนึ่งส้านูนะครับ ท่านผลเอกเสรีผุกมาและท่านดรชินีพรผูกมานะครับจะจัดส่งเป็นธรรมบรรดาการถึงมืทก่านโดยบม่คิดมูลค่าอย่างใดทั้งสิ้นนะครับถือว่าเป็นธรรมบันดาการแด่แฟนรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสุพทุมครับสายที่สิบสี่มารออยู่ครับสวัสดีครับแฟรายการครับสวัสดีครับสอบถามได้เลยครับแฟนรายการหลวงพ่อถนนจะคุยอะไรครับครับผมอยากจะสอบถามว่าท่านในอย่างไรเวลาคนเราถ้าเรียนรู้สูงแล้วเนี่ยครับ มันจะมีความเข้าใจความเป็นอัตล <c oughs> ักษณ์ของความเป็นคนไทยเนี่ยเข้าใจได้ยากแล้วก็พูดก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องด้วยอย่างเวลาไปขอให้มัญญะทบานศรัตน์เนศรัตน์ประยาชาติเนี่ยก็ก็พยายามรู้เรื่องครับแล้วคนคนนี้ก็มีแต่ศาสตราจารย์นั่นและท่านหลวงพอครับครับผมแล้วฝากจำยุทธนะครับพมมีดครับคุณแม่ครับเป็นความเขินมันมันก็เป็นความคืคด อ่ามันไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่ว่าบางคนบางคนเนี่ยคือตามปกติแล้ววิชาความรู้อย่างที่มาบอกอาจารย์เนี่ยว่าวิชาความรู้ทางโลกเนี่ยเรายิ่งเรียนกิเลสเรายิ่งเพิ่มครับความโลภมันเพิ่มมานะมันเพิ่มทิฏฐิมันเพิ่มตัณหามันเพิ่มหมดเลยครับเพราะงั้นเดีคนเหล่านี้ถ้าถ้าไม่ตระหนักถึงธรรมะแล้วนี่อัตตาจะแข็งกล้าวมากครับ แล้วตัวเองจะกลายเป็นศูนย์ข้อความถูกต้องคนอื่นผิดหมดครับแล้วพอเป็นด็อกเตอร์ก็ถือว่าชั้นชั้นร อ, รอบรู้หมดเหมือนกับสัปปบปะญูด็อกเตอร์ทางกีตาวิทยาที่บายาศาสนาเชิดเชิดอ่าพอเรียนเรื่องมแมลงก็พกฝังได้อธิบายเรื่องปรัชญาเรื่องาศาสนามันมันอีกสายหนึ่งต่างหากครับอันี้เอ่อคนเหล่าเนี้ยตามตามปกติแล้วเขาคือคือคนเราพอเะ เมือนเมืองอะไรกินกาได้ทองนะคือว่าพอพอว่าสวมคอข้าวแล้วมันมันก็เกิดผยองครับธรรมดานะฮะธรรมดาแต่ไม่ใช่ทุกคนหรอกจรับจริงๆก็จํานวนไม่มากหรอกแต่ว่าเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคครับข้าวสารก็ผนช่วยรับก็สอดคล้องกับท่านแนวคี่ของท่านพลเอกเสรีผูกำกับนะครับก็ท่านเจ้าของมหาวิทยาลัยสิลป์ทุมนะครับที่บอกว่าให้เราสอนวิชาพจนศนาในชีวิตประจำวันกับนักศึกษาชั้นปีหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับ เพื่อจะให้เด็กปีหนึ่งเนี่ยครับได้เรียนรู้ชีวิตเพราะว่าวิชาจริงๆแล้วที่เขาจะไปใช้ได้ตลอดชีวิตทั้งชาตินี้และชาติหน้าคือพุทธศาสนา เขาจะแก้ไขปัญหาชีวิตได้จะไม่มีการกระโดดตึกไม่มีการามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่จะไม่แก้ไขด้วยความรุนแรงเพราะนาำเด็กเสรีผู้กมาด น, นะครับท่านก็เลยเรียนบอกท่านพี่น้องทั้งหลายนะครับที่ส่งลูกหลาเลนเรียนศรีปฐุมมารับรองได้เลยนะครับว่าเราจะดูแลบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดีแล้วคิดว่าวิชาพุทธศาสนาเก่าจิจฉามันเนี่ยจะเป็นวิชาที่สามารถกบเก่าจิตใจลูกหลานของท่านได้นะครับแล้วก็จะชี้ทางให้ลูกหลานของท่านเป็นคนดีในสังคมต่อไปนะครับสายที่สิบห้ามารออยู่ครับสวัสดีครับ เขอาการบรรษั ก, กรรมพระเดชพระคุณประเทศบิลลกแล้วก็เจริญพรอาจารย์พูทธนเรนรายการกลับบรรษักรรมท่านครับเ อ, อคือมีเรื่องจะเรียนถามพระเดชพระคุณว่าเมื่อวันเมื่อวันเมื่อวันก่อนก็ผมก็ได้ดูกองสถานการณ์นะครับ อ, อที่มีพระชื่อพระมโนเมตานันโทอะไรนี่ฮะครับคือตอนชั้นแ ร, แรกท่านจะพูดทนองว่าไม่เป็นด้วยที่จะให้มีศาสนาตัวไปศาสนาไปตัางชาติเพราะเคยไปอยู่ในประเทศที่ มีลักษณะแบบนี้แล้วรู้สึกว่าคนสัตสัตว์วนิยเป็นประชาสนทั้นสองแล้วก็พูดเรื่องหลายเรื่องที่มันไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นเนี่ยฮะครับครับอยากจะทราบว่าเอ่ออย่างพระรูปนี้เนี่ยเออกระทำแบบนี้มัน เอ่อต่อเขาพอดีจะถามว่ามันจะเป็นพระหรือเปล่าครับผมกับอุการบุญครับซึ่งก็แฟนรายกาหลายท่านก็โทรศัพท์ก็มาถามผมให้เรียนสอนสัตย์ที่ปรึกษาเนี่ยครับว่าเป็นยังไงประเด็นนี้ก็เป็ก็ก็แผ่เมตตาไปเถอะหรือท่านอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้เวันี้อยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยนะฮะครับไม่รู้ไม่รู้สังกัดวัดอะไรเพราะว่าก็ถูกออกไปจากวัดหลายๆวัดแล้วก็แผ่เมตตาไว้เถอะ จะได้มีเวมีภัยแก่กันอะไรกันเลยแกก็เป็นอย่างนั้นนี่ยนะฮะแกแกกอนิสัยแกเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เป็นนิสิตที่จุฬามานะมีลักษณะก้าวร้าวแล้วต้องต้องต้องคนอื่นต้องผิดหรือแกต้องถูกอาตมามีความเห็นบ้านะคือคือคือคือเจ้าชาอย่างนั้นก็ก็ปล่อยเข้าไปฮะปล่อยเข้าไปแต่อะไรกันท่านทําไมต้องไปก้าวไก่ถึง่งเรือสมณศักดิ์อะไรทุนี้อื คือมันมันนอกประเด็นนอาจารย์ท่าเก็นไหมฮะว่าเขาพูดเรื่องเรื่องรัฐธรรมนูลทศศาสนากับรัฐมนูลประพูดประเด็นนี้แล้วเรามาพูดเรื่องพระสงฆ์และเรื่องสัมมนัศักสัมมนาศักนั้นเป็นราชศักการะของพระมหากษัตริย์และที่จริงคําว่าสัมมนาศักเนี่ยมันเป็นคําที่เราเรียกเอาครับ ว่าสมัยพุท ธ, ธกาลเนี่ยพระษาริบุตรก็คือสมณสักเป็นธรรมเสนาบดีแต่ไม่เอตตัคข้าทั้งหลายนั่นคือสมณสัะพระที่เป็นเจ้าวาดคือสมณสักเจ้าหน้าที่แจกพัดเจ้าหน้าที่ ก, กิจกรรมต่างๆในศาสนานี่ยก็ ก, ก, ก, ก็ก็คือสมณสัก ค, คือคสถานะตำแหน่ง อ, อำนาจหน้าที่ของพระที่จะบริหารองค์กรน่ะอันนี้เพียงแต่เราไปไปตั้งชื่อขึ้นมาแต่นั้นเองครับ แต่ว่าสมมติว่าสมมติว่าเราจะเลิกสศาสนาก็ต้องมีฐานะมีอำนาจมีหน้าที่มีตำแหน่งอะไรก็ตามมนุษย์เมื่อมีเมื่อมีภารกิจจะต้องปฏิบัติท่านต้องมีตำแหน่งครับแล้วก็จะทําให้มีหน้าที่แล้วก็ทําให้มีอำนาจครับถ้าไม่มีสามอย่างนี้อยู่ในคนคนนั้นมันก็ทำงานงานอะไรไม่ได้ใช่ครับคือคือคือ คือแกจบก็เป็นนะฮะแต่แกไม่เข้าใจเรื่องแกไมันเข้าใจเรื่องว่าตรงตรงนี้ไม่จําเป็นจะต้องเรียกเจ้าคุณเทพธีรกก็ได้ครับแต่ว่าเมื่อให้อัตมามีมีมีตําแหน่งเนี่ยอามาก็ต้องมียอาม่าเพราะอามามีหน้าที่เดียร้องถามใช่ครับเดี๋ยวปีข้องคนคนอื่นผอ้ลรับผิดชอบกระสุกเลยใช่สินะเขาก็ตั้งขึ้นมาเพื่อกําหนดอย่างที่บอกไว้ตะกี้เนี่ยแหละมันเข้ากํากับมาด้วยคําสั่งครับ เขาพ่อหมายภารกิจมาครับแล้วคนที่มีภารกิจเนี่ยมันต้องมีตําแหน่งครับแ้่ไม่มีตําแหน่งมันก็ทำอะไรไม่ได้เมื่อไม่มีตําแหน่งก็ไม่มีอำนาจก็ไม่มีหน้าที่ครใช่นะฮะมันมันจะผูกโยกกันหมดเลยทั้งสามอย่างเนี่ยขอบคุณคุณจะรับสายที่สิบห้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเชิญสตา์นะครับคุณคผมได้ยินเกี่ยวกับเรื่องสุศานนากับสารธรรมนูนมากหลายท่านเลยนะฮะครับ คืออยากจะแสดงความคิดเห็นนะครับคือผมว่ามันเป็นวิบากกรรมของประเทศนะฮะแลวของศาสนาพุทธด้วยในประเทศนี้นะครั บ, บ, บที่ผู้บริหารเนี่ยเกิดมีอะไรมาปังตาเขานะฮะเขามองไม่เห็นนะพอ <c oughs> ดินแดนตรงนี้เนี่ย มันเป็นแดนพุทธภูมิที่ว่ามานะครับครับครับอะไรที่เกิดปัญหาในบ้านเหมือนทุกวันเนี่ยความปัญหาทั้งหลายเนี่ยลุ่งมาจากตรงนั้นเพราะคุณเนลลคุณตระแผนดินนี้โอครับตรงนั้นไม่เป็นไรครับผมกาที่สองนะครับครับครับที่มหาวิทยาลัยประชุมเนี่ยศิริทุมเนี่ยจะสั่งสอนนักศึกษาผมว่าปีหนึ่งเนี่ยจะสายไปจะช้ำไปนะมันต้องเริ่มมันจะปฐมเลยนะครับปฐมเลยเลยเลยครับผมครับผมขอบคุณม่ครับครับ ก่อนก็มีมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอยู่ทางจังหวัดสุราษฎร์นะฮะท่านนั่งสมาชิสแล้วก็เกิดนิมิตครับอท่านบอกว่าที่เหตุการณ์ที่บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้ยเพราะว่าเออหนึ่งก็คือว่าเอาพระพุทธรูปซึ่งรายการที่ห้ามอบให้กระทวงมาไทยเนี่ยย้ายออกจากสถานที่ต้องเอากลับไปไว้ที่เดิมครับและประการที่สองในรู้สึกว่าจะให้สร้างพระพุทธรูปหรืออะไรเนี่ยนะฮะสักสามองค์หนึ่งไปไว้ที่ พระพุทธรูปเป็นดกจะบอกว่าเอาไปสร้างไว้ที่พักได้แล้วก็มีคนหนึ่งอยู่ทางพักได้ก็โทรมาหาตมาเขาบอกว่านิมิตในปรากฏว่าต้องไปสร้างเจดีระหว่างกรือเซ ส, สารเจ้าลิมกอนเนียวแล้วก็มีเจดี ม, มันจะปัดเสนียดอย่างไรต่างๆออกไปได้ที่โยมพูดนะถูกต้องนะฮะ ค, ค, คือคือคือ อปัญหาเหล่านี้เราอย่าลืมว่าเมื่อดินแดนเป็นพุทธภูมิเนี่ยเราไม่ให้เกียรติกับพระพุทธศาสนาก้อนสิ่งอัิมงคลมันก็เกิดขึ้นครับถามว่าทําไมตอนก่อนหน้าโน้ t มันจึงไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ครับจังหวัดภาคใต้มันอยู่กับเรามันตั้งแต่สมัยสุโขทยัยมันไม่ได้เพิ่งอยู่อยู่มาตั้งนานแล้วทําไมจึงไม่เกิดปัญหาอย่างนี้ครับเพราะว่าอันนี้แหละ เมืองใดร้ายทำอำัมพาตเมืองนั้นบรรลัยแน่เอ่ยประการหนึ่งซึ่งขาดพระศาสนาทุโรกาเกิดตึกตึงยกเข็นครั้นจะกลับต่บร้อนพ่อนะเย็นก็ต้องเป็นไมตรีปันิกันบเบอร์นี้เราทิ้งธรรมทิ้งธรรมแล้วก็เสื่อมธรรมะ น, นะับที่มีเทวดามาถามราพระพุทธเจ้าว่าจะรู้ได้ยังไงคนจะเสื่อมหรือว่าจ ะ, จะเจริญพระเจ้าว่าดูง่ายครับคนผู้ใดใคร่ธรรมเป็นผู้จเจริญผู้ใดชังธรรมเป็นผู้เสื่อม นี่คือสูตรตายตัวเลยครับแล้วถ้าอยู่ระดับส่วนยอดของประเทศม้องก็นำพาประเทศพิบัติครับในสมัยโบราณเนี่ยเวลามีปัญหาวิกฤตการณ์ต่างๆเขออาจะตรวจสอบที่ความระพฤติของผู้นำครับถ้าผู้นำขาดศีลธรรมแล้วเนี่ยมันต้องเอาออกอะ่ะครับสมัยโบราณนี่ก็ อ, ออกเลยนะอาจารย์ครับผมคือคือคือถือว่าคาล้ายๆคล้ายๆคย ๆ, ๆกับเป็นมาตรวัดอะ่ะ ธรรมะคล้ายๆกับเป็นเป็นหลักที่คุ้มครองคุ้มครองโลกครับเมื่อผู้บริหารไม่มีธรรมะมันก็คุ้มครองโลกไม่ได้พระมากษัตริย์เราจึงเรียกว่าธรรมิกราชแล้วก็สุดยอดจริงๆนะฮะก็คือพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งประกอบด้วยธรรมะจักรวรรดิวัตรราชจัสังฆาทศพิตราราชธรรมอะไรต่างๆในหลวงครับก็ที่โยู้พูดถูกถูกต้องแต่ว่าคนพวกนี้พูดรู้เรื่องหรือเปล่า ที่คุณจันข อ, อนิดครับคือแฟนรายการโทรศัพท์มาหากผมบ อ, อกว่าอ่านหนังสือพิมพ์แล้วไม่สบายใจเลยมีคนคนหนึ่งเขียนเขาว่าผีพุทธซึ่งเป็นการดูหมิ่นพุทธศาสนามากเลยที่คุณจนครับคนประเภทนี้มันจำได้นนเกิดคนนี้คือคือเอมาเคยอ่านหนังสือเขานะฮะ ค, คือรู้สึกว่าอัตาเขาใหญ่ครับ แต่เขาใหญ่แล้วใครที่เม้นตรงตามเขานี่เลวหมดผิดหมดโง่มหมดโดยเฉพาะเรื่องประวัติศาสตร์โบราณคดีเนี่ยก็ถือเขาเก่งมากแน่มากครับแล้วจะเขียนดูบินคนอื่นตลอดถ้าเรา <ละ S 1> อ่านให้ดีเนี่ยฮะเราอ่านให้ดีเขาจะบิดเบือนหมดอะ ค, ค, คือหมายความว่าหลักฐานประวัติศาสตร์ที่โบราณท่านนั่นเรียบเรียงเอาไว้เนี่ยผิดหมดเลยครับต้องอ่านของเขาต่นั่นเองถูกอมาเคยอ่านเขาแล้วก็ก็ทุกวันนี้ไม่อ่านครับ เพันไอ้นี่ก็เหมือนกันนะคเหมือนกับเมตตานันโทน้ําแผ่เมตตานะพอนามสกุลมันก็บอกว่าเขาก็ไม่ใช่ไทยไม่ใช่สายไทยแท้นะแสดงว่ามายังนึกว่าเขานับถือพูดหรือเปล่าด้วยซ้ำไปครับเพราะว่าเราจากการสังเกตเนี่ยมันมันอักขระวะต่อประวัติศาสตร์ไมากเชยครับนะไปครับผมขยันไปนะครับขยันจุนใจครับเหลือประมาณสักสามนาทีแฟนรายการอยากจะ สถามด้วยกันถึงความก้าวหน้าของศูนย์สริอพัฒนานะครับเพื่อประจำปันได้แฟนรายการสอรับทราบเนี่ยครับคือเวลาเนี้ยเอฝ่ายฝ่ายฝ่ายวิตรภกรกับฝ่ายสถาบันิกเนี่ยก็ทําเป็นกระดาษไขไปแล้วครับก็กําลังส่งไปถ่ายที่ข้างกรทมนะฮะแต่พอดีติดตุจีนก็ยังยังไม่ได้กลับมาเพื่อกลับมาแล้วเราจะดาเนินการแล้วก็จะคือมันก็มีปัญหาตอนเนี้คือ แจ่คุณสมเด็จที่ท่านรับว่าจะให้ให้สตางเนี่ยถ้าท่านเกิดมีปัญหาที่จะต้องพัฒนาวัดประสาทประสาทตรงเนี้ยใกล้ไกล้วังสมเด็จรูโรมเนี่ยท่านก็ขอให้ชะลอไปก่อนเพราะงั้นเราจะต้องหาเงินขึ้นมาก้อนหนึ่งเนี่ยเพื่อสร้างศูนย์ก็ขอครับผมต้องต้องต้องก็ต้องช่วยแหละถึงจพามายาติโยมก็ต้องช่วยแหละครับผมอ่เดี๋ยวก็จะพอพอเรียบร้อยแล้วจะบอกเป็นทางการครับ คือให้เรารู้รายละเอียดว่าไอ้เนี้ยแต่แต่ชิ้นแต่ละชิ้นเราคาเท่าไหร่ครับอย่างที่ตอนที่พลเอกเสรีเขาออกแบบเนี่ยเขาบอกว่าตารางตารางวาหรือตารางเมตรนะฮะตารางตารางเมตรละหมื่นสองครับเนี่ยหรกีตารางเมตรเนี่ยเขาก็บอกครับอ๋ก็คงบอกเพราะว่าย่าลืมมันนี่คือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในประเทศไทยครับที่เราไม่เคยมีศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่เอาพระ ในนิกายต่างๆมาอยู่ด้วยกันมาทํางานด้วยกันครับเพราะงั้นนิติมาอย่างนี้มันต้องสื่อสารเยอะครับแงั้นจะเข้าใจได้ยากท่านพระเนตรเสรีท่านเต็มที่เลยนะครับท่านทำการถวายนะครับทําออกแบบให้นะครับแล้วก็ท่านก็ให้สถาปนิกนะครับทําการคํานวณทุกสิ่งทุกอย่างให้เพื่อที่จะให้สูตรสมุสนานะครับเป็นสมบัติของชาวพุทธนะครับแล้วคิดว่าท่านมีสูตรสมุสนานะครับเจ้าเวจานครับ การเผยแพาษจะเป็นได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะทําอะไรได้อีกเยอะเลยครับ ค, คือคือที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าเมื่อเราเกิดมีศูนย์เนี่ยเราจะมีสถานีวิทยุชุมชนก่อนแหละต่อครับนะไอ้ น, นี่ ค, คือเราจะกระจายเสียงได้ตลอดที่สี่สโบสองอครับแล้วงานมันก็จะตามมาแล้วเครือข่ายต่างๆของวิทยุชุมชน เ, นเราก็ประสานกันครับแต่เวรๆนี้มันไม่มีที่จริ ง, รงๆอาจารย์เราทำอะไรไม่ได้เลยอะครับผมแลว้ววอรอยเวเนี้ยซ่อมจนแน่นไปหมดเลยลศูนย์ขยับตัวไม่ได้เลยครับก็ ต้องขอบารมีญาติโยมช่วยกันเนี่ยนะครับมาก็อยู่คงไม่กี่วันก็คงตายแล้วแต่ว่าเราก็อยากไดเห็นนะอยากได้เห็นงานนี้มันดําเนินไปได้ด้วยดีครับก็ <ว Political. S 1> ก็จะอะนําความก้าวหน้านะครับของสูนย์ศาสนานะครับมาแจ้งตอนท้ายรายการเสียงถําจากสิบปทุมนะครับให้แฟนรายการได้รับทราบตลอดมานะครับท่านพระเด็กเสรียก็ฝากมานะครับว่าอะไรก็แล้วแต่เพื่อทำพุทธศาสนานะครับท่านยินดีเต็มที่เลยนะครับเพื่อให้พุทธศาสนาเป็นศาสนา ประจําชาติและก็ศาสนาที่สําคัญที่สุดของปวงชนชาไทายของเราต่อไปนะครับวันนี้รายการเสียงธรรจากมหาเรียสิบประจขอกราบขอไพ่ายหลายสายนะครับที่โทรมาไม่ติด น, นะครับขอบความเจริญธรรมมีเดชท่านผู้ัฟังรายการทุกท่านครับขอได้ความคุณจากท่านพละเดชเสด็จผูกรมานครับสวัสดีครับผม